بسم الله ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا ع د و ا ن إلا على الظالمين أصلي وأسلم على شرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن ت ب ع ه م بحسان إلى الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. พว ق ر و า ي ن งอยู่ใน آية ที่120 สิบินอะยาในสุ ر ة อัตตะวัาที่อัลลอฮฺซุบฮฺฮานุต้าลาต้องการพูดถึงภารกิจของพลเมืองที่ดีในรัฐอิสลามเพราะเราเคยบอกแล้วว่าในสุร ة อัตตะวานั้นเหมือนเป็นการร่างระเบียบ <No. S 1> ใหม่ สำหรับสังคมมุสลิมที่เริ่มปรากฏความงดงามของสังคมมุสลิมนั้นในช่วงท้า ย, ายการเทศนาของท่านนบีสุลลัลลอฮฺอะลัยฮิสลมคำสั่งสอนก็ค่อนข้างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วกฎหมายอิสลามค่อนข้างครบถ้วนแล้วจึงมีความจำเป็นที่จะต้อง จำแนกระหว่างคนที่เป็นพลเมืองที่ดีที่เป็นประโยชน์สำหรับส่วนรวมและคนที่เป็นปฏิปักษ์โดยเฉพาะในช่วงนั้นช่วงสงครามตะบูกที่เริ่มมีใส่ศึกที่มีบทบาทในการทำลายทาลายล้างสังคมอย่างชัดเจน พลเมืองที่ดีในราชอิสลามนี่ก็คือผู้ศรัทธาที่มีคุณสมบัติที่มีข้อผูกพันกับคําสั่งสอนของอิสลามมีข้อผูกพันกับอัลลอฮฺละรสรูลมีข้อผูกพันกับผู้ศรัทธาอย่างเหนี่ยวนันเหนี่ยวแน่นและไม่มีอะไรที่จะทําให้สิ่งเหล่านี้คือเพราะข้อผูกพันกับอัลลอฮฺละรสรูล ผู้ศรัทธากับสังคมไม่มีอะไรที่จะมาบั่นทอนความสำคัญเหล่านี้ในหัวใจของของผู้ศรัทธาฉะนั้นการเสียสละของผู้ศรัทธาก็เสียสละเพื่อให้คำสั่งสอนของอัลลอฮฺเราซูลได้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับเขาและสำหรับสังคมมุสลิมนี่คือ เป้าประสงค์สำคัญพวกเราก็เช่นเดียวกันในยุคนี้ปัจจุบันนี้เราต้องการเป็นพลเมืองที่ดีของประชาชาติอิสลามก่อนนะก่อนอื่นเลยเพราะการที่เราเป็นมุสลิมเนี่ยมันเป็นข้อผูกพันกับสิ่งที่มีความดึกดาบรรณก่อนแผ่นดินก่อนเชื้อชาติก่อนประเทศ การที่เราเป็นมนุษย์นั้นนะ่ะเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วก็รู้ว่ามีพระเจ้าแสดงว่านี่นี่คือข้อผูกพันแรกของเราในในชีวิตมีข้อผูกพันกับแผ่นดินกับบ้านเกิดกับเชื้อชาตกิก็จริงกับเผ่าพันธุ์ของเรากับชุมชนก็จริงแต่เรื่องนี้มันมาที่หลังใครจะบอกว่าเขามีบุญคุณกับเรามากกว่าบุญคุณที่ที่อัลลอ์มีกับเราเนี่ อันนี้เราต้องเราต้องปฏิเสธศสัธาไปก่อนเราต้องไม่ยอมรับในความเป็นพระเจ้าความเป็นเป็นผู้สร้างความเป็นผู้อภิบาลของพระเจ้าถึงถึงจะเป็นเช่นอย่างที่เขาต้องการให้เราให้เราให้เราได้เป็นโซนเราเขาบอกว่าคนเรานี่รักบ้านเกิดรักบ้านเกิดมากกว่าเราป รักบ้านเกิดมากกว่าคำสอนของอพระบาะอาสมมติวาบ้านเกิดบ้านเกิดเนี่ยมีสิ่งที่ขัดกับคำคสอนของพระเจ้าอย่างอย่างอย่างรุนแรงเลยเราเราจะให้ความสำคัญกับบ้านเกิดมากกว่าความสำคัญของของคำสอนของพระเจ้าไหมนั้นเป็นไ ป, น ป, นปนไม่ได้สำหรับผู้ศรัทธานั้นะเป็นไ ป, นปนไม่ได้ เป็น ไ, ไม่ได้ยกตัวอย่างถ้สม่มาดวยผมนี่สมมุติสมมุติน่ะที่บ้านผมนี่เขาค่ายาเสพติดเตือนเตือนแล้วก็แล้วพูดก็แล้วเตือนต้งสิหัดก็แล้วไม่การที่อยู่ในปรากฏในบ้านนี้นะจะต้องทําให้เราได้มีข้อเกี่ยวข้องกับบาปกับข้อห้าม ในมุมหนึ่งมุมใดยังแน่นอนโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ทางเลือกเดียวนี่บ้านเกิดของเราแท้ๆนะบ้านพ่อแม่แท้ๆนะแต่อยู่บ้านพ่อแม่ก็ต้องฝ่าฝืนคำสั่งของพระเจ้าทางเลือกของผู้สถาคืออะไรอะเตือนนีเตือนไม่ได้บอกว่าอยู่ดีๆก็ออกเตือนก่อนเตือนแต่ถ้าหากว่าเขาเขาเลือกเขาเลือกที่จะฝ่าฝืนคำสั่ง คงพระเจ้าแล้วเราก็ต้องปีกตัวออกแล้วทาไมถึงอิสลมมามไม่มีฮิจรัลล่ะทำไมถึงมุฮาจิรีนเะขาเขามีความประเสรนะิฐว่ามีคุณสมบัติที่งดงามเพราะเ ข, า, ขาเลือกเลือกที่จะทิ้งบ้านเกิด น, ะนบีสุฮาบานี่ทิ้งบ้านเกิดทรัพย์ทรัพย์สมบัติของเขาพรรพวกแก่พี่นะ้งทิ้งหมดเลยเพื่ออะไรเพื่อลอก บางอย่างนี่ถ้าเราเล่าเล่าเป็นประวัติศาสตร์อย่างเดียวเนี่ยมันดูสนุกนะแต่ถ้าเราลองมาจินตนาการว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเรานี่เราจะรู้นะครับว่าสหบ้านเนี่ยเขาไ ม, ไม่ใช่ของเล่นนะสหบ้านเนี่เขาสุดยอดที่สุดนะสุดยอดอันนี้อัลลอฮฺ سبحانه และ ت ะอยากจะบอกกับคนรุ่นหลังเนที่ไม่ใช่รุ่นหลังของเรานะรุ่นหลังนี่พวกมุนาฟิกีเนี่ยไอพวกวนซื่อนนะ่ะ ที่เพิ่งมารับอิสลามโดยผิวเผินนะยังไม่ยังไม่ลึกซึ้งกับอัลลอฮ์กับประซูลเนี่ย mm hmm. แล้วก็มาอ้างเป็นผู้ศรัทธาเป็นมุสลิมได้ไง่ายต้องพิสูจน์ความเป็นผู้ต้องพิสูจน์นี่อัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าเป็นไปนไม่ได้สําหรับชาวมดีนาแล้วก็ชนบทที่อยู่รอบๆมดีนาเนี่ยที่จะทิ้งท่านนาบีปล่อยท่านนาบีนบีลุยไปไหนแล้วพวกเขาเนื้อ คือที่จริงในเรื่องนี้เนี่ยมันมีที่มาในประวัติศาสตร์และมันสร้างความอับยศกับคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้คืออะไรอ่ะคือทินน้งนบีของเขาน บ, บีมูซานี่พาบานรุอิสราเอลนี่ออกจากอิบเขา อ, อยู่ในอิบในในสภาพที่เป็นทาสของฟิราอนี่มาเป็นมาหลายศ ต, ตวรรษเป็นทาสนี่เป็นไพ่อ่ะเป็นไพ หมายถึงว่าฟิราห์นี่ต้องการอะไราจากบรรุษอิสราเอลเนี่ยจะเลือกใครมาอมาม า, มารับใช้มาเป็นทาสเอาผู้หญิงเน่ยเลือกใครก็ได้มามารับใช้ในวังไพรระบบทั้งหมดนูม่มันก็เป็นอย่างนั้นอยู่กันแบบนี้มูซาบอกก่จะเล่มาจาอะไรไม่ได้จะสร้างโบสถ์สร้างศา ส, สนสถานไม่ได้ฟิราห์นี่ยไม่ได้กูฟิราห์ากูบอก ถ้าถ้าจะละหมาดนี่มาละหมาดที่นี่ที่วังงฉันนะมาละหมาดให้ฉันเองมาอาริมตุลกุลมินอิลิฉันไม่ไม่คุนน่ะพระเจ้าอื่นจากฉันมีมีเอจนกระทั่อัลลอฮ์บอกกับนนบีมูซาละบรูสุริวจลุบุยุตคุมกิบเลตันแะอกอย่างหนึ ไม่ต้องไปไหนนะั่นละหมาดที่บ้านนี่แหละให้บ้านของแต่ละคนนี่นะของผูง้ศรัทธาแต่ละคนเนี่ยบ้านเป็นทิบรัดของตัวเองไม่ต้องหันไปไหนนะหันอยู่ที่บ้านเนี่หันไปไหนก็ได้แต่ขอให้ละห ม, มาดหยทิ่งการละหมาดดารงวากีม ة, ุสลาดํารงซึ่งการละหมาดอยู่ไม่ได้นีน บ, บีมูซาบอกว่ า, ามีแผ่นดินที่อัลลอฮ์ให้เป็นที่พึ่งของเราพอถึงเวลาที่ต้องประท่ากับศัตรูแล้วเนี่ย พวกบรรดอิสราเอลบอกโมว่าอิ ه ับอันต์วอรับบุคฟะกาติลอินเน่าฮะนั่าวิ่โอมเสสพะท่านกับพระเจ้าของท่านเนี่ยก็ไปสู้ไปสู้ไปสู้นู้นนู้ไปสู้แต่เราเนี่รอท่านอยู่ที่นี่เราไม่ไปไหนที่พฤติกรรมอันอัปยศนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วอัลลอ์กลพูดสถานีไม่ควรที่จะเป็นแบบแบบนี้บนุอิสรลแบบนี้มาคานะลอลิลดีนต์ะมันาวลอา ف ุ่รูลล จะทิ้งนบีโดยลําพังเนี่ยให้เขาไปสู้คนเดียวนี่เป็นไปไมได้สำหรับผู้ศรัทธาวันแรกเราก็บูบีอัลฟุสีมานนับสิและเป็นไปไม่ได้ที่เขาเหล่านั้นจะห่วงชีวิตของพวกเขามากกว่าชีวิตของทารูลเพราะอะไรเพราะภารกิจหน้าที่ของผู้ศรัทธาที่ต้องเสียสละเต็มที่ในอนตางอัลลบฮ์ سبحانه และเราได้พูดถึงเรื่องการเสียสละนี่แหละรายละเอียดนี่ที่อัลลอฮ์ได้ ลงรายละเอียดของการเสียสละซึ่งสมควรที่จะมีรายละเอียดสมควรที่จะพูดถึงรายละเอียดและเอามาเปรียบเทียบกับพวกเราในยุคปัจจุบนันว่าการเสียสละนั้นและตามบริบทของแต่ละยุคแต่ละสามัยนะั้นนะมันจะเป็นอย่างไงเรื่องการเสียสละนี่มันก็มีหลายรูปแบบรูปแบบหนึง่งที่มันไม่ได้เป็นการเสียสละโดยตรง แต่เสียสละทางอ้อมและมีการเสียสละโดยโดยตรงนี่หมายถึงว่าเราลงทุนลงมือเองทำเองอันนี้ตรงทางอ้อมนี่ก็คือเราไม่ได้ไม่ได้ลงมือเองชุดแรกเนี่ยที่ไม่ได้ลงมือเองนี่อะไรไี่บอกทั้งนี้เนื่องจากความกระหายน้าก็ดีดกระหายน้ำว่ลาละน้ำสบู่ความทุกข์ยากเราบอกว่าอันนี้ แปลว่าเป็นความอ่อนแอนี่จะดีกว่าความอ่อนแออ่อนเพียมันใกล้ใกล้เคียงกว่า ولا مخمصة لقام هيؤه إذا دي في سبيل الله نهون تام الله ความกระหายความหิวความอ่อนแอนี่เสียสละแต่สามสิ่งเหล่านี้เนี่ย มันไม่ได้เกิดจากตัวเราโดยตรงคือเราไม่ได้ลงมีไม่ใครลงมือลงมือสร้างความกระหายมีไหมไม่คือเราเนี่ยทํางานพอมันไม่มีน้ําจะกินนะนะถึงจะเกิดความกระหายความกระหายนี่มันไม่ได้เกิดขึ้นด้วยการสร้างด้วยการลงมือจากตัวเราความหิวก็เหมือนกันมันเป็นผลที่เกิดมาถึงแม้ว่า มันไม่ได้เป็นผลที่เกิดมาด้วยน้ำมือของเราแท้ๆนะมันเกิดจากความสืบเนื่องเรื่องนี้มันละเอียด น, นิดนึงเพราะมันจะมีผลเกี่ยวกับการอธิบายสำนวนตรงอธิบายแบบนี้พีซาบีลิไลที่เขาได้กระหายได้หิวได้ออนแอเนย์อูนแทนอนัลมาเนาะไม่ว่าพวกเขาจะเหยียบย่างไปณที่ใด ก็หมายถึงว่าขณะที่เขาเดินทางไปสู้รบไปิ ه า د เนี่ยเขาจะไปเหยียบย่างเขาจะไปประทับที่ไหนก็ตามเนี่ยโดยที่พื้นที่ที่เขาไปนี่นะจะสร้างความระคายเคื อ, องสร้างความกรธดสำหรับผู้ปฏิเสธต่ายรีดุลกุฟฟารที่ทำให้วกปฏิเสธตธายกร้วกรูดก็ตาว่าแล้ยานาลูนมินาดูวินนี่และนี่เขาอธิบายตาม ตามศัพว์แตมันมันไม่ค่อยละเอียดวันแนาลรูนามินอดูนนะเขาอธิบายเขาแปลบอกว่าและพวกเขาจะไม่ได้รับอันตรายจากศัตรูเขาแปลคําว่ายน า, นานาลู่นะหน้าละแปว่ารับรับมินอดูินมินจากศัตรูในลันรับเขาได้แปลในลันแปว่ารับแต่ที่จริงเนี่ยอันนี้เป็นสํานวนสํานวนนี่ก็หมายถึงว่าและพวกเขาจะไม่ได้ ส่งอันตรายหรือสร้างอันตรายใดๆกับศัตรูนี่เป็นสำนวนความหมายตรงกันข้ามเลยนะอย่าน่รู้แน่ละมิโนูสำนวนในภาษาอังกฤษแน่ละมิน่หว่าเขาได้ได้สร้างความเสียหายกับกับเขาไม่ใช่รับอันดไม่ใช่ตัวเขานี่ที่รับอันตรายจากเขานะไม่เขานี่สร้างอันตรายกับศัตรูของเขานะครับอันนี้ก็ต้องก็ต้องแก้นะครับเว้นแต่ว่าอิลลั เขาจะไปบัตทับไปเหยียบที่ไหนพื้นที่ที่ไหนหรือไปสร้างความเดือดร้อนหรืออันตรายกับศัตรูเมือ่อใดอิลลาเว้นแต่ว่ากุติบาลหุ่มบีฮิอาหมาลุโซะเนีนอกจากการงานที่ดีนั้นน่ะที่ก็ทําไปนั้นน่ะทั้งหมดเนี่ยถูกจารึกไว้แล้วสําหรับพวกเขาเพราะสิ่งนั้นอิลลากุติบาลหุบิฮเพราะสิ่งนั้นสังเกต ด, ดูนะ ที่นีน่มันจะมีเพราะสิ่งนั้นเดี๋ยวที่หลังเนี่ยในเรื่องอื่นที่เสียสละเนี่ยจะไม่มีด้วยสิ่งนั้นเพราะอะไรเพราะเราอยากจะให้เราได้รู้ว่าสิ่งที่เป็นการเสียสละแต่ไม่ได้เกิดจากน้ำมือของเราโดยตรงสามอย่างก่อนหน้านี้ก็คือความกระหายความอ่อนแอความหิวโหยแล้วก็อีกสองอย่างถัดมานี่ก็คือเหยียบพื้นที่ใดๆแล้วก็สร้างความ โกรธสําหรับศัตรูสําหรับผู้ให้ศรัทธาหรือสร้าง anyway. อันตรายกับศัตรูนี่ห้าอย่างนี่นะห้าอย่างเนี่ยความโกรธขิ้วอันนี้เราสร้างบ้าเราสร้างโดยตรงบ้าไหมเราต้องไปทําอะไรกระบวนการสักอย่างหนึ่งถึงเขาจะโกรธเราอันตรายที่มันเกิดขึ้นกับศัตรูอันตรายที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดจากเราโดยตรงไหมไม่เราต้องไปทํากระบวนการอะไรสักอย่างหนึ่งถึงจะเกิดอันตรายมันไม่ได้ลง ซึ่งจะต่างกับการกระทำหลังจากนี้นะที่เราทำโดยตรงทำแบบตรงไปตรงมาเลยเป็นเป็นผลงานของเราโดยตรงเพราะฉะนั้นอัลลอบอกว่าอิลลากุติบะละฮุมบิฮีด้วยสิ่งนั้นนะถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นผลงานของเขาโดยตรงแต่ละก็จะจารึกเป็นผลงานของเขาเช่นเดียวกันแต่าานนี้เป็น ข่าวดีสําหรับผู้ศรัทธาในทุกๆงานที่เราได้ทําและเป็นผลดีเป็นผลดีที่อัลลอฮฺสุบฮานาห์ดารละพออัลพะไทยแต่มันไม่ได้เป็นผลงานร้อยปเซ็ของเราแต่อัลลอฮฺกจะจะให้เป็นของเราอัลลอฮฺจะจะเรียกว่าเป็นผลงานที่ดีสําหรับเราลองจินตนาการดูสิทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ทําและมันเป็น เรื่องที่ดีเอาย้อนมาอีกทีหนึ่งอล้ลวเราบอกว่าความกระหายความกระหายความกระหายนี้ไม่ได้เกิดท่าก็มันมันมันมันความกระหายนี้มันมันอยู่ที่ตัวเราใช่แต่เราไม่ได้สร้างมันขึ้นมาแต่อา้าวเก็จะถือว่าเป็นผลงานของเราเอา่ะยกตัวอย่างพ่อแม่บอกว่าอา้าไปซื้อยาให้หน่อยอไปซื้อของให้หน่อยแล้วก็วิ่งไปซื้อ ไปซื้อตัวเหนื่อยไอ้ความเหน็ดเหนื่อยนี่มันไม่ได้เกิดจากตัวเราคือเราไม่ได้สร้างความเหนื่อยแต่เออเราจะถือว่าการที่เราเหน็ดเหนื่อยเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเพราะอะไรเหนื่อยเพราะเราได้กตัญญูต่อพ่อแม่ทําความดีกับพ่อแม่ความเหน็ดเหนื่อยเนี้ยก็จะถือว่าเป็นผลงานของเราเราเราจะจารึกว่าเป็นผลงานของเราทุกอย่างเปรียบเทียบได้เลย อาบน้ำละหมาดไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีน้ำอุ่นไม่มีน้ำรอ้อนอาบน้ำเย็นเย็นพอน้ำเย็นเนี่ยโดนผิวยึดไอ้ความหนาวนี่เราสร้างขึ้นมาไว้ไม่แต่การที่เราเลือกที่จะต้องละหมาดเลือกที่จะต้องอาบน้ำละหมาดมันทำให้เกิดความความหนาวอัลลอฮ์ก็จะถือว่าความหนาวนี่ความหนาวนี่เป็นผลงานของเรา ควาหนาวเป็นผลงานจาลึกไว้ให้เป็นคุณงามความดีของเราซึ่งตรงกันข้ามก็เช่นเดียวกันนะนั้นเล่นบอเล่นเล่นเล่นเล่ น, เ ล, นเล่นจนหเหนื่อยเพราเราเหนื่อยเพื่ออะไรเหนื่อยฟีเซบี ล, ลบอลถูกต้องแล้วนี่คือผลงานของเรา เราเหน็ดเหนื่อยฟีซวบลล์แล้วเดี๋ยวเราจะไปรับผลแะบุญจากอัลลอฮฺถ้าเราเหน็ดเหนื่อยฟีซวิลล์บอนก็ต้องไปเอาจากไหนจากบอลแต่ถ้าเราปรับเนียดละ่ะปรับก่อนที่จะเล่นบอลเนี่ยถาตัวเองเล่นบอลเนี่ยเพื่ออะไรตั้งเนียตั้งเจตนาให้ดีเนี่ยพอเหนื่อยแล้วอะนะเราสามารถที่จะไปตอบกับอัลลอฮฺว่าที่เราเหนื่อยนี่เหนื่อยนี่เพราะเจตนานี้ ความเหน็ดเหนื่อยนี่มันก็เป็นผลบวกสำหรับเรามันไม่ใช่เป็นผลมันไม่ใช่เป็นผลลบบวกสำหรับเรานี่ตัวอย่างนะตัวอย่างว่านี่มันไม่ใช่ผลงานโดยตรงแต่ทางอ้อมเพราะฉะนัน้นอัลลอบอกว่าอ uh ินนัลลอฮะลายุดี وأجر المحسنين อัลลอจะไม่ทรงให้รางวัลของผู้กระทำความดีต้องสูญเสียไปเป็นอันขาด ทำธุรกิจกับอัลลอ์นี่มีทำธุระกับอัลลอ์นี่ไม่ไม่สูญเสียอิมามบุคารีท่านเป็นนักเรียงานฮะดิษและก็เป็นพ่อค้าด้วยท่านจะไปไหนไปที่ไหนนี่ไปไปบรรยายไปสอนหะดีษที่ไหนนี่ท่านก็จะเอาสินค้ามาด้วยแล้วคนทั่วราชอาณาจักรอิสลามเขาจะรู้เลยว่าอิมามบุคฮารีนี่ไปไหนเนี่ยโอ้มีสินค้าดีๆแน่นอน อิมามบุคเรีเนี่ยไปเมืองหนึ่งก็ไปเข้าที่พักกับพวกพ่อค้านักธุรกิจพวกพวกเจ้าของห้างเนี่ยมาเนี่ยมาอิมามบุคเรีเพราะว่าอิมามบุคเรีตั้งใจตั้งเนี่ยตั้งไว้ก่อนที่จะเข้าเมืองนั้นนะ่ะว่าสินค้าชุดนี้เนี่ยเขาจะบริจาคเขาจะบริจาคนี่คทเด แล้เข้าไปในเมืองนี่พวกพ่อค้านี่ก็มาหาอิมามบุคฮรีแลบอกว่าซื้อเท่าไหร่ท่านเอาเท่าไร่ล้อบอกว่าเสนอมาสิพ่อค้าบอกว่าท่านเนี่เสนอมาท่านเสนอเท่าไหร่เนี่ยให้สองเท่าหม่าสบาทฉันให้ยี่สิบบา ท, บาทเลยอะโอ้มีขนาดไหนอ่ะมาบบุคฮรีมีใครเสนอมากกว่านี้หอเปลมีมีพ่อค้า ท่านหนึ่งเสนอมากกว่านี้โอ้เสนอมากเท่าตัวนะใช่มีพ่อค้าท่านหนึ่งจะให้ผมมากกว่านี้เอาผมไม่สามเท่าเลยมี ม, มีมีพ่อหาอท่านหนึ่งให้มากกว่านี้มัมบุคครีหมายถึงอัลลอฮ์แต่การที่มานบุคคลสุดสรุปเนี่ยเาต่อรองกันแค่ไหนเนี่ยเขาก็ไม่ถึงไม่ถึงละคาเท่าเนี่ยเขาก็ไม่ไหวแล้วก็ก็หนีกันแล้ว แต่อิมามบุคอรีหมายถึงว่าอัลลอฮ์จะให้สิบเท่าไงการที่อิมามบุคอรีตอบแบบนี้ น, นี่ความความที่เขาเชื่อว่าการทําธุรกิจกับอัลลอฮ์สุภาห์นวมตัยแล้มันไม่สูญเสียไม่สูญเสียแน่นอนข้อแตกต่างระหว่างผู้ศรัทธากับผู้ปฏสิสตานี่ก็คือเร่องนี้แหละเรื่องเราเชื่อในผลตอบแทนที่อัลลอฮ์ให้กับผู้ศึกามิฉชนั้น เราจะไม่ต้องมาเหนื่อยแล้วในโลกดุนยานี้ทําไมต้องมาเสียเวลาละหมาดต้องมาเสียเวลาถือสิ้นอดต้องมาเสียเพราะมีความเชื่อมัน่นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมีพระเจ้าจะตอบแทนเราอันนี้คือคําตอบที่ง่ายๆเบสิกที่เราต้องเอามาตอบใจตัวเราตลอดแล้วก็ต้องพยายามสร้างสร้างความเข้มแข็งในคําตอบนี้ละหมาดเพื่ออะไร เพราะคำตอบนี้มันจะทำให้เราเนี่ยพยายามปรับปรุงการงานของเราเนี่ยไม่ต้องไปหวังอะไรกับมนุษย์เพราะเราหวังไว้แล้วกับพระเจ้าละหมาดนี่เราเราต้องการผลและบุญจากอาลัลลอฮ์ไม่ต้องการจากมนุษย์ฉะนั้นจ้ามนุษย์ใครจะมาดูละหมาดนี้ไม่มีผลเพราะฉันไม่ต้องการผลตอบแทนจากมนุษย์จากอาลัลลอย์อย่างเดียว ที่เราเหน็ดเหนื่อยกันในโลกดุนยานี้เนี่ที่เราต้องเสียสลายในโลกดุนยานี้เนี่ยเพราะอะไรเพราะราวังในในผลตอบแทนจากลัทธิพระนวัดาละเท่านั้นมีเรื่องหนึ่งที่ผมเคยเล่าองเชฟนซมินกษัตริย์กษัตริย์ที่ซาอุดีเนี่เข้ามาเยี่ยมที่บ้านซาอี้มินเป็นเป็นเป็นผู้รู้ที่มีชื่อเสียงแล้วก็คือประชาชนเขาเขาเชื่อฟัง ยกนู้นน่ะะยประมาณสามสิบกว่าปีละผู้ผู้รู้แต่ก่อนนู้นน่ะกษัตริย์จะทําอะไรรัฐบาลซาอุดีทําอะไรเนี่ยผู้รู้เนี่ยต้องลงนามมีฟะตวาเนี่ยไม่งั้นน่ะเดินก้าวหนึ่งก็ไม่รอดที่เอาอเมริกามาจะได้มาสู้รบกับสแตดามนี่ก็ต้องมีฟัตวาจากกุลามาไม่งั้นน่ะชาวบ้านเขาไม่ยอมรับกษัตริย์นี่เขาเยี่ยมเซลุสามีบ้านเขาเล็ก บ้านเล็กๆมีสัมภาระอะไรก็มีหน้อยๆผมบอกว่าท่านทําไมอยู่บ้านแบบนี้เนี่ยทําไมสร้างบ้านใหม่เอามาอีกหลังนึ่งเดี๋ยวจะสร้างให้โอ้ไม่ต้องไม่ต้องนี่ในเขตนูซลาเนี่ยในเขาอยู่เมืองฮาอินเลนเนี่ยเขตนูซลานูน่ะนูซลาผมมีบ้านอีกหลังนึงสบายเลยบ้านนูผมไม่ต้องการเอาจริงๆนะผมมีบ้านแล้วเรียบร้อยแล้ว พอกษัตริย์ไปแล้วเนอะลูกศิษย์ถามเชฟโนเซมินบ้านไหนเราไม่ทราบว่าท่านมีลูกศิษย์ที่เขารู้จักไงบ้านอะไรอาจารย์เรามีบ้านที่ไหนที่นุสิล่านี่มีเมียอีคนนึงหรือเปล่าน่ะไม่บอกใครหรือเปล่าเชฟโนเซมินบอกว่านุสิล่าน่ะคู่บ่อยู่ที่นั่นไม่ใช่ละแล้วกู่บ่มันไม่ใช่บ้านเราหรอ กูโบยู่ที่นู่นใชมดังนั้นในบ้านที่เราจะต้องจัดเตรียมไว้ให้ดีว่าอาเพื่อไปกูโบแล้วเนี่ยจะอยู่ยังไงพระนบีบอกอัลกบรูหุฟรตุนมินฮุฟรินิรานเอา و รวดตุน منرياض الجنة หลุมศพของเรากูโบของเราเนี่ยมันก็เป็นหลุมแห่งไฟนรกแห่งหนึ่งหรือจะเป็นสวนสวรรค์แห่งหนึ่งเตรียมไว้เละ เราต้องออกแบบบ้านของเราในกุโบว่าอยากได้เป็นแบบไห น, นความเชื่อมัน่นในผลลัพธ์ของความดีที่เราจัดเตรียมไว้อันนี้แหละครับคือแรงบันดาลใจที่จะทำให้ผู้ศรัทธานี่อดทนในโลกเสียสละในโลกดุนียานี้ไม่งั้นมันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องทำให้เราได้เหน็ดเหนื่อยในโลกนี้ทาไมเขาสนุกสนานกัน เขาสนุกสนานกันในโลกนี้ทําไมเราต้องอดนู่นอดนี่ห้ามนู่นห้ามนู่นห้านี่ยากเหลือเกินในชีวิตของมุสลิมนี่อันนี้ก็ไม่ได้กินนี่ก็ไม่ได้ทำนู่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ใช่ก็จริงถึงขนาที่นบีได้เปรียบเทียบว่าดุนยาีนโลกนี้สําหรับมุมลิมนี่ยสำหรับผู้ศรัทธานี่ก็เหมือนสจินเหมือนคุกดินอันดุนยาสิจินุลมุสิมดุนยาเนี่ยเป็นคุก สำหรับ mm hmm. ผู้สรัทธาครับผู้สัานี่ก็รจะรู้สึกรู้สึกว่า เ, ออเราเหมือนอยู่ในคุกมันไม่ใช่เสรีภาพอย่างที่เขาคิดเสรีภาพที่ทำอะไรก็ได้และถ้ามีข้อห้ามทางกฎหมายนี่นะก็ต้องต่อสู้จะได้ปลดข้อห้ามในกฎหมาย ให้เรื่องบาปเรื่องผิดนั้นให้มันถูกต้องตามกฎหมายดูดิเสรีภาพของเขาขนาดไหนสำหรับสำหรับผู้สทานี่สำหรับผู้สทานี่แทในเมื่อมันเป็นคำสั่งสอนของพระเจ้านี่เชื่อเหลือเกินว่าอัลลอฮฺสุบฮานวดาละจำกัดอิสระภาพของเราในโลกนี้ในบางอย่างเพราะ มันจะเป็นผลดีสำหรับเราในโลกนะ้าแน่นอนอัลล์ไม่ให้มีสมรสเท่าเทียมในอิสลามแน่นอนเพราะอะไรเพราะเราเลือกโครงสร้างชีวิตโครงสร้างชีวิตที่เหมาะสำหรับมนุษยชาติทั้งหลายและออกแบบให้มันเป็นแบบนี้ เสรีภาพของเราเนี่ยมันก็จะต้องเป็นไปตามบริบทโครงสร้างที่อัลลอฮฺได้สร้างโลกจกักรวาลนีเราสร้างหผู้ชายก็ต้องอยู่กับผู้หญิงมีครอบครัวผลได้มาก็คือบุตรหลานที่จะบุรณะโลกใบ น, นี้นี่คือโครงสร้างที่เราสร้างที่เรา อ, ลลออกแบบไว้เขาบอกว่าไม่ใช่ไม่ได้ ผู ja, ้ชายนี่ย oh ก็ต้องมาแต่งกับผู้ชายผู้หญิงก็ต้องมาแต่งกับผู้หญิงแล้วก็เรียกเนี่ยว่าสมรสเท่าเทียมแล้วก็ดูดูดูหรูนะาชื่อนี่มันหรูนะความหมายจริงว่าไอ้คนนี้ไม่เห็นด้วยนี่ก็คือไม่เท่าเทียมเลยนะไอ้พวกเรานี่ก็คือลําเอียงอ่ะไม่เท่าเทียมเลยมันดูหรูมากเลยนะสมริเท่าเทียมก็คนที่ไม่เห็นด้วยนี่ก็คือไอ้พวกสุดตองที่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่มีความเห็นอกเห็นใจ เรื่องเห็นอกเห็นใจนี่เป็นประเด็นอ่ะเดี๋ยนี้นไอ้มัสยิดที่มันติดป้ายขึ้นป้ายว่าที่นี่ไม่เห็นด้วยไม่อนุญาตให้มีสมรสเท่าเทียมผู้ชายแต่งงานผู้ชายผู้หญิงแต่งงานผู้หญิงอ่าเดี๋ยวนี้มีมุสลิมออกมามุสลิมนะไม่ใช่ไม่ใช่ต่างศีสนามุสลิมนะออกบอกว่าเฮ้ยติดป้ายอย่างงี้ทําไมไม่วงเล็บมาว่า สำหรับมุสลิมพอไม่พูดพวนไม่นี่ไม่เห็นด้วยเนี่ยอันนี้ไปไปกระทบกระแทงกไปกระทบกระทั่งไปไปไปเสียดสีสิทธิของเขาไหมของของฝั่งที่เขาเห็นด้วยกับสมรสเท่าเทียมไหมอีตอนเขาทำกฎหมายสมรสเท่าเทียมหนะาเขาเขาไม่ได้วงเล็บว่าอันนี้อันนี้สำหรับ คนนี้ไม่ใช่มุสลิมนะเขาพูดปะเขาพูดปะไม่และที่จริงแล้วเนี่ยสมรสเท่าเทียมเนี่ยมันสําหรับคนไทยทั้งประเทศหมายถึงวะถ้ากรรมการมัสยิดนอิหมามมัสยิดอย่างเงี้ยไปสงรถเท่าเทียมไปจดทะเบียนสมรสผู้ชายกับผู้ชายอย่างเงี้ยถูกต้องตามกฎหมายสมบุรุษนี่จะปลดอิหมามนี่ไม่ได้พวกเขาไม่ได้ทําอะไรผิดกฎหมาย สิ่งที่็ขาทำนี่มันถูกกฎหมายมีความชอบทางกฎหมายเขาเขียนไหมว่าเออกฎหมายนี้วงลิฟไม่เกี่ยวกับมุสลิมก็ไม่ได้เขียนเลยก็สำหรับคนใดยทั้งประเทศไงแต่ที่มุสลิมจะจะขึ้นป้ายบอกว่าเอาเราไม่เห็นด้วยาสาหรับพวกมึงอย่างเดียวนะไม่คนอื่นเขาไม่เกี่ยวนะคนพูดถึงตัวเองคนเดียวนะ ม, มีนักวิชาการออกมาพูดด้วยนะ ก่อนที่จะไปไปด่าเขาที่จริงนม่มีใครไปด่าเขาเราโดนด่ามากกว่านะไม่ได้ไม่ปด่าใครนะ mm hmm. เขานที่จะดา่าด่ามุสลิมมากกว่า mm hmm. เขาบอกก่อนที่จะไปด่าเขาคือ LGBT เนี่ยก่อนที่จะไปด่าเขาเนี่ยฟังเขาก่อนไหม mm hmm. เขา้าใจเหตุผลของเขาไหม mm hmm. คือฟังเนี่ย จะได้ช่วยกันแก้ปัญหานะฟังเนี่ยจะได้ช่วยเลิกบาปนั้นน่ะได้อันนี้เนี่ยฟังแต่นักรู้กันคนนี้หมายรวมอย่างนี้ป่ะอ๋อฟังเขาจะได้ให้เขาเตาบัตรตัวฟังเขาเนี่ยเราจะได้ปรับทัศนคติของเรานี่ สุดโตง่งไอ้ไอ้ไอ้วกไอ้บวกบ้าขัางศาสนานี่ฟังเขาบ้างจะได้รู้ว่าชีวิตของเขาเนี่ยเขาต้องการอะไรเราจะได้ไม่ต้องไม่ต้องระคายเคืองไม่ต้องรําคาญเขาก็หมายถึงว่าเราต้องทําใจทําใจถ้าในสังคมเนี่ยมีอะไรแบบนีต้องทําใจซะ แต่เห็นคนในสังคมนี่ ม, มีมีสมรถเท่าในสังคมมุสลิมมานะมีสมรถเท่าเทียมนะก็หมายถึงว่าให้ยอมรับซะดึงเดือดเดือดเดือดเดือมาอีกเดือมาอี ก, อกแล้วมันมันอันมาเยอะแล้วก็ไม่รู้จะไประ บ, บายที่ไหนเราตกอยู่ใน ภาวะที่ไม่สามารถต่อต้านสิ่งแล้วแล้วครับถ้าต่อต้านล่ะยังมีใครคิดจะมาต่อต้านตอ้เนี่ยต่อต้านวทวหลงเลยเขาบอกว่าสมรรเท่าเทียมเท่าเทียมเท่าเทียมยิง่เขาบอกว่าใช่ความรักนี่มันต้องเหมือนกันหมด เอาที่ครอบครัวมุสลิมอ่ะเขาอยากได้กฎหมายอิสลามเกี่ยวกับครอบครัวมุสลิมอนุญาตให้ผู้ชายเนี่ยมีภรรยาสี่คนเนี่ยขอมาเป็นหนึ่งสตวรวัแล้วนะยังไม่ได้เลยอนะความรักมันก็นเหมือนกันไม่ใช่เหรอความรักมันต้องเหมือนกันใช่ไหมนี่ไงทำไมไม่ให้คขลาล่ะสมรรเท่าเทียมมาอยู่ไหนหละ่ะ เรากําลังอยู่เรากําลังอยู่ในภาวะที่จะต้องอมทุกข์และการศาสนาที่เราต้องการพูดหรือสิ่งที่มันผิดตามหลัการศาสนานี่เราไม่สามารถพูดไม่สามารถเผยแพร่ น, น, นี่นี่เป็นเรื่องที่ที่เลวร้ายที่สุดแต่ที่มันเลวร้ายกว่า น, นั้นนั่นนะเพราะเราเห็นมุสลิมเรานากักวิชาการของเราเองที่เริ่ม ตามกระแสแล้วก็พยายามที่จะพยายามที่จะเอาใจคนที่ทําบาปทําความบิดในอันนี้ในยิ่งแล้วเลยอันนี้เนี่ยเลวร้ายที่สุดหลังจากนี้เนี่ยอเลาก็จะยกตัวอย่างการเสียสละที่เราลงทุนทําเองเลยดูตรงเลยว่ละยุ่งฝกอุนนนั่ก็ต้องสี่รตันว่าละกี่รตันว่ละยั่งตอุนว่ดิอันอิลลากุติบะเลหุม เล้าของาห์มาลและพวกเขาจะไม่บริจาคในการบริจาคใดๆ ไ, ไม่ว่าจะน้อยหรือมากก็ตามและพวกเขาจะไม่เดินผ่านคุบเขาใดๆนอกจากมันจะถูกบันทึกไว้แก่พวกเขาเพื่อว่าอัลลอจะทรงตอบแทนให้แก่พวกเขาอัลสลา สิ่งที่ดียิง่งมาก้านุยามาลุนในสิ่งที่พวกเขาได้ทําไว้นัฟะก้อนนีบริจาคอันนี้บริจาคเงินเราทําเองเหละซึ่งต่างจากนั้นนะต่างจากความกระหายอย่างนี้อันนี้บริจาคอันนี้เราเอาต้องหยิบตั้งแล้วก็บริจาคนี้ไงอันนี้โดยตรงเลยเป็นผลงานโดยตรงเลยสักีเราแม้ว่าจะน้อยหรือจะมากก็าตามเป็นผลงานของเรา น้อยนี่คนทั่วไปมากนี่สำหรับบางคนอาญานี้หมายถึงอุสมานอิบเนาะฟาในสงครามตะบุกในสงครามตะบุกนี่ซาบะบริจาคหมดแล้วแต่อุสมานนี่บริจาคไม่เหมือนคนอื่นมีหลายเีื่องยานั่งบางรายงานบอกว่าบริจาคมาหาร้อตัวบางรายงานนบีขึ้นมิมบัตรบอกว่าใครจะบริจาคในอุนตะอัลลอฮ์ในสงครามเนี้ยเพื่อสงครามทําสงครามเนี่ย อัลมาดีิเนาฟานบอกว่าข้าพระเจ้ารับรับรองจะอำนวยให้อูดหนึ่งรตัวโอ้มาสีดกรตกบีรอูดหนึ่งตัวอูดหนึ่งตัวนี่ไม่ธรรมาดาอูดหนึ่งรตัวนี่ชาวกุรชทั้งชาวกุรชทั้งกุรชนี่นะทำเป็นรางวัลเนี่ยให้ใครที่จับท่านนาบีราลบักรคือ กุเร้งกูเลยนะหนึ่งรตัวอูดหนึ่งตัวนียอุลมานคนเดียวแหละไม่พอนบีก็เลยเชิญชวนอ้าบริจาคอีกใครจะบริจาคอีกอมานนี่ก็ยกมืออีกข้าพเจ้ารับรองอูดอีกหนึ่งรยตัวสอตัวนะกครั้งอากบก็ตักบีนนบีก็ดีใจนบีก็เชิญชวนซอฟบริจาคอีกอมานนอัฟานี่ครั้งที่สา พร้อมนี่อุดอีกหนึ่งร้อยตัวนบีนก็บอกว่ามาดรรรฮอุสมานมาบงอุมานเอออุสมานนี่จะทำอะไรต่อไปนี่ไม่เกิดผลเสียใดๆกับอุสมานเลยหมายถึงว่าถ้าอุสมานนี่คิดจะทำบาปหรือทำ ท, ำทำความชั่วนี่นะผลล บ, บุญที่เขาได้สะสมไว้นี่นะมันมหาศาลพอสมควรอันนี้เป็นสำนวน ไม่ได้มาไม่ได้มาร่วมกับท่านนบีชวนอุสมานท่านนี่ยนะวีสกานะเชิญเลยสําหรับท่านนี่จะทําบาปอะไรก็ทําไม่ใช่คําพูดแบบนี้เหมือนที่ท่านนบีพูดเกี่ยวกับชาวบัตรสงคนที่ ص าบ ب ที่รวมสงครามบัติร์วะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้บอกเกี่ยวกับชาวบัตรนี่แอลม่รูมาชิดุมจะทำอะไรก็ทําไป ฟาก็ดรอฟอร์ดูละกุมฉันได้ให้อภัยโทษกับพวกเจ้าแล้วอันนี้เป็นจำนวนหมายรวมว่าการงานของพวกเจ้านี่มหาศาลมากที่อัลลอฮฺสุบฮานะวะดารจะตอบแทนอย่างดีงามอุลลามะบางท่านบอกว่าได้สำรวจแล้วชาวบัตรทั้งหมดเลยเนี่ยทุกคนเนี่ยเสียชีวิตเป็นมุสลิมและทุกคนเนี่ยมีผลงานในชีวิตเนี่ย ที่จะทําให้เขาเนี่ยถูกจารึกเป็นคนดีของสังกาไหมายที่ว่าได้ยินแล้วท่านนาับีบอกแล้วเราบอกว่าจะทำอะไรก็ทําไปแต่เป่าวเลยชาไม่มีใครที่คิดจะไปแบบว่าชีวิตจะพลิกไปเป็นคนชั่วหรือจะไม่มีอัลมาดิมยาฟานเนี่ยนบีบอกว่ า, าอัลมานทําอะไรอาม่าก็คงไม่เอาโทษแล้วเพราะผลลบุญเยอะแล้ ว, ญญลวก็พิสูจน์แล้วในประวัติของอัลมาดิมยาฟานี่ แม้กระทั่งหลังจากท่านนบีเสียชีวิตนี่นะก็เคร่งคัดในเรื่องศาสนามากกว่าเดิมด้วยผลงานของของท่านหลังจากท่านบีเสียชีวิตเนี่ยก็ยิ่งกว่านั้นด้วยท่า น, นหมายรวมว่าผู้ศรัทธานี่ยถ้าได้เห็นสัญญาณอะไรดีๆเนี่ยคนเรานี่อดอยากอะไรไปสักอย่างนึ่งนะเอาสมมติว่าไม่ได้กินไม่ได้กินเนื้อมาสองเดือนไม่ได้กินขนมไม่ได้กินทุเรียนมาสองปีอย่างเงี้ย และได้มีโอกาสกินทุเรียนโหสัตเ์ยหอยเต็มที่เลยทำไมอ่ะมันอดอดอยากมานานแล้วใช่ไหมหรือว่าไม่ได้ทำบาปไม่ได้เล่นไพ่มานานแล้วโอ้ตั้งแต่เรียนตัฟซีนี่มันชินนะ่ะทุกวันอังคารหลังอีซอนี่ก็ต้องต้องเล่นมะคฮอตซ์ สักคิวหนึ่งไผ่สักรอบหนึ่งแต่ตั้งแตเรียนตับเีรนี่เนี่ยเดี๋ยวใชคจะพักเลยเนี่ยถ้าพักตับเีรนนี่เดี๋เต็มเท่เลยอดนี่มั น, ด น, นดมอดนะไม่นะผู้ศรัทธานี่ผู้ศรัทธานี่ท้าว บันดาลใจช่วยให้เขาเนี่ยได้งดบาปเนี่ยเขาจะถือว่านี่เป็นบุญคุณที่ที่จะต้องขอบคุณอล l l a h และยินยักต่อไปมากกว่านนท่านนาบีละมาดเกียมุลเลนเนีจนเลือดไหลจากเท้าของท่นเลือดไหลเท้าแตกและเลือดไหลท่านหญิงไอชาเห็นท่านนา บ, บีท่านนาบีทําไมต้องเห น, นื่อยขนาด น, านั้น ว่าด้วยพระองค์ละก็พระเจ้าทรงอภัยให้เราพร้าทั้่านเล่าท่านสิ่งท่านสิ่งในอดีตทในอนาคตเนี่ยบในอกุรอานพระเจ้ทราออดีตในอนาคตนบีทอะไรเนี่ยเ้าให้อภัยอยู่แล้วทำไมนบีงเนดเหนื่อยขนาดเนี่ยนีกบอกว่า ك و ن عبدا شكورا التي الله น ي شنّ ب أ ฉันควรที่จะขอบคุณอันเอาไหมล่ะควรที่จะขอบคุณอนน้อไหมล่ะทำความดีเดืดอนรอมฎอนโอ้ทาความดีเต็มที่เลละมาดยะหมดเลยตื่นอดอ่านกดอา น, อานพอพ้นเดืดอนรอมฎอนฉลองได้ละฉลองอะไรฉลองอะไรหรือบางคนเนี่ยฉลองในเดือนรอมฎอนนะ ถสนอดทั altung, ้งวันทนอดทนมากเลยงดอาหารเคื่องดืมอะไรทุกอย่างพอมาแก้บวชบุรีแก้บวชด้วยบุรีอันนี้ไม่มีใครเล่านี่เห็นเห็นเห็นแกตาเลยแล้วสินอดด้วยการสบอะจะอะไรอิมพัลลัมก่นดิน้ำสักอึดมีอดทน อดทนในการทําความดีแทนที่จะนึกถึงบุญคุณของอัลลอฮ์สุบฮานาวะนาละที่อัลลอฮ์ช่วยให้เราได้ทำความดีและก็ยืนหยัดต่อไปแต่ไยินท่านหนึ่งล้วมาดกิย马ลเลลกับปาริยากระิบบอกปาริยาอดทนหน่อยนาอดทนหน่อยนาอีกหน่อยหนึ่งอีกหน่อยหนึ่งก็จะบรรลุเป้าหมาย อดทนหน่อยนะแต่เขากะิบกาวกาบาับอะไรอดทนหน่อยนะอดทนหน่อยนนี่เกือบห้าสิบหกสิบปีอะอดทนหน่อยนะพอเราจะบรรลุเป้าหมายแล้วใช่พอห้าสิบปีหกสิบปีเทียบกับวันเกียมา ที่เราจะอยู่อย่างทาวร อ, อย่างนิรันดรห้าสิบปีห้าสิบปีกับ5าห้าห้ามื่นล้านปีละนะ่ะมันมันยิ่งกว่าหมันยิ่งกว่าห้าหมื่นล้านปีนะเทียบกันน่นหะ้าสิบปีกับกับห้ามื่นปีอย่างเงี้ยกี่เปอร์เซ็นต์อดทนหน่อยนะพูดไวเป็นคำพูดที่ปลอบใจกับตัวเองเวลาตัวเองอยากจะทำความชั่วอย่างหนึ่ง อยากเหลือเกินอยากทําเหลือเกินอดทนหน่อยนะอดทนหน่อยนะไกลและวไกลจะถึงละซึ่งการเสียสละและบริจาคในหนทางของเราสุภาพนาวารัสไม่ใช่สหายบ้าคนเดียวที่เป็นตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์แบบนี้สหายบ้าหลายคนโดยเฉพาะสหายบ้าอูโศที่อยู่ใกล้ๆท่านนบีเนี่ยว่าเป็นตัวอย่างสําหรับคนอูบักบริจาคทรัพสมบัติ ของท่านทั้งหมดในสองครั้งหมายถึงว่ายกทรัพย์สมบัติทั้งหมดในท่านนบีสองครั้งพอมาดูเขาตอบครึ่งหนึ่งของทรัพย์สมบัติของเขายกให้ท่านนบีสุลต่านแล้วคนพวกนี้ในเวลาเขาบุญญาเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ทําอะไรที่มันใหญ่โตยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนเขาเขาถือว่าทําอะไรที่มันน้อยนิดในหนทางขอัลลอฮฺ سبحانه และนี่คือความรู้สึกของอุศัท่า ที่จะต้องเทียบสิ่งที่เราได้เสียสละในหนดดังอันลอกกับความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้กับเรานี่นะเทียบไม่ได้หรอกเพียงอัลลอฮ์เพียงอัลลอฮ์ให้เราได้ละหมาดบุญคุณมหาศาลแล้วเพียงอัลลอฮ์ให้เราได้ได้สิกุลรละได้อ่านกุรอ่านเพียงอัลลอฮ์ให้เราได้เป็นคนดีทําความดีมีโอกาสทําความดีนี่นี่นบนี่บุญคุณมหาศาลแล้ว แต่ถ้าเราจะบริจาคเราบริจาคมากขนาดไหนอะนะเราต้องทมตนด้วยในสิ önem, ่งที่เราได้ทำกับสิ่งที่อัลลให้กับเราเนี่ยมันมันน้อยนิดเพราะฉะนั้นในอายานี้อัลลอ์ก็เลยบอกว่าอิลากุตีบะละฮุมลียจซิอุมนะนอกจากมันจะถูกบันทึกไว้แก่พวกเขา แต่ก่อนหน้านี้อิลากุติบาลหุมบิฮินี่ข้อแตกต่างในสองประโยคนี้เขาทำนั่นนอกจากว่าถูกจารึกไว้แล้วสำหรับพวกเขาเพราะสิ่งนั้นบิฮีเพราะสิ่งนั้นทำไมอ่ะเพราะมันไม่ได้เป็นผลงานของเขาโดยตรงทางอ้อมหน่อย เลาก็ปอบใจไม่ต้องกลัวถึงแม้ว่าทางอ้อมกระสิ่งด้วยสิ่งเหล่านั้นที่จะนํามาการเสียสละนั้นๆน่นอะอเลาก็จะจารึกให้เหมือนกันบีบีไม่ต้องกลัวถึงแม้ว่าไม่ใช่ตรงนะแต่เราจะถือว่าเป็นผลงานของของพวกเจ้าแต่อันนู้นอ่ะมันเป็นผลงานโดยตรงก็เลยไม่ต้องมีบีด้วยสิ่งนั้นไม่ต้องเพราะโดยปริยายแล้วเนี่ยการบริจาคเนี่ย วันแรกตานวาเดียน e และการดี่พเขาเดินเดินเดินนมันเป็นผลงานของของเราเองอ่าแล้วก่อนหน้านี้นะเขาบอกว่าวันแรตาอุนะเมาเตี้ยนไม่ว่าพวกเขาจะเหยียบย่างไปณที่ใดอันนั้เหยียบย่างที่จะทําให้ศัตรูกรธอันเนี้ยนเนี้ยโกรธที่ทางศัเราอาจจะเหยียบย่างแต่ศัตรูไม่กรดเช่นเดินผลิตอย่างเงี้ยเขาจะโกรธไหม เขาจะไม่โกรธ เ, เ, นะเนี่ยเขาจะแฮปปีเลยนะวันซืนนันะเนี่แถวแถวเดมอเนี่ยเขาเดินผจญกันเดี๋ยวนี้ยานบังกพปีนเนี่ย LGBT อาสมมติว่าเราไปติดติดติดขบวนนะแล้วเขาก็ยกธงอะไรของเขาแล้วก็บีบแต่ฮะบีบแต่เราก็สนุกไปด้วยเยบีบแต่ไปด้วยอันนี้ก็เหยียบย่าง ที่ใดๆที่เขาโกรธไหมอันนี้ไม่โกรธที่เขาชอบดิเราจะไปเดินขบวนไปด่ายูที่นู่นน่ะนุ่นโศกปะโศกใครจาได้นูน่ะนานล้วอโศกสศกว่าใช่อโศกนั่นะถ้าเราเดินขบวนนั่นโดนด่าเหมือนกันนะแต่ถ้าไปเดินขบ ว, ไไวนแถวนน่นอะ างานธุรกิจทั้งนั้นนะ่ะเดินขบวนเนี่ยอันนั้นนะ่ะเขาจะโกรธไหมอ่ะยิวโกรธแน่นอนยิวโกรธแน่นอนชีวิตของเราก็เป็นแบบนี้แหละอยู่ที่ไหนเดินไปไหนเนี่ยดูสิว่าไอ้ที่เราเดินไปไหนแต่ไหนเนี่ยมันจะเป็นผลอะไรกับศัตรูอิสลามเป็นผลดีกับศัตรูอิสลามไหม เห็นที่จะเห็นหมวกก๊อปปี้เข้า KFC อย่างเงี้ยเดินเข้า KFC อย่างเงี้ยสตาร์บัคสอย่างเงี้ยเขาจะโกรธไหมพีีบเนี่ยบรขอดจนบริษัทบริษัทไอ้น้าอัดลมอะโฆษณาเบลล์เลนอะนักนูมาอาฟิลิสินเราอยู่ร่วมกับปาเลสไตน์ นั่นหมายรวมว่าอะไรนั่นหมายรวมว่าผลบอยคอรดนี่มันมีผลทําให้เขาเสียหายจริงๆน่ะเสียหายจริงๆเขาก็อยากจะจีบผู้บริโภค น, นะผู้บริโภคที่เขาบอกโอเ้เราก็อยู่กับปาเลสไตนนะ์เราเราดาราที่ไปได้จีบส่วนมากเนี่ยส่วนมากที่เขาได้ทําสัญญาก่อนเหตุการณนะ์ ทำสัญญาไว้กับพวกบริษัทบอยคอตเนี่ยพวกน้ำอัดลมพวกอะไรพวกเนี่ยไปทําโฆษณาไปอะไรไปโปรโมทอะไรสินค้าของเขานี่นยะปรากฏว่านีนะ่คือมันมันก็มันก็เป็นเรื่องที่มาพว่ามั น, ม น, ม น, มนไม่รู้จะจะชื่นชมยังไงอนะ่ะนักร้องน่ะนักร้องคนหนึ่งที่ดังมากไปทําโฆษณาให้คกคนเนี่ยไปได้หยิบส่วนมากนี่ยเขาเขาเขาบอยคอรดคก พอไอดาราคนนี้เนี่ยไปคู่สนาให้โคกันนะคนก็เลยบอยคอดเพลงของเขาแต่เขาไม่เขาฟังเพลงอื่นนะ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าเอาจะชื่นชมหรือจะนีิแต่ก็ถือว่าเออเขามีเขามีความรู้สึกเขาก็บอยขอดดาราแล้วบอกว่านี่ต่อไปนี่ไม่ฟังแล้วคอนเสิร์ตก็ไม่ไปแล้วแต่ไปของคนอื่นนะปรากฏว่ามีดาราคนหนึง่ง อันนี้เราก็มอบหมายไม่รู้เข้าบริสุทธิ์ใจเข้าจริงใจหรือปรากฏว่าเขาเคยทำสัญญาจริงกับโคหรืออะไรบริษัทพวกน้าอารมเนี่ยก่อนเหตุการณ์พอมาเหตุการณ์แล้วเนี่ยถึงเวลาที่จะต้องถ่ายถ่ายไอโฆษณาแล้วนี่นะเขาไม่ยอมดังมากดาร า, า, ราแล้วก็นักร้องด้วยเขาไม่ยอมทำ ไอ้พวกนั้นก็บอกว่านี่ในข้อตกลงนี่มีมีฟ้องเสียมีจ่ายค่าเสียหายด้วยนะเขาบอกว่ามาเลยสงทนามาดูจะจ่ายค่าเสียหายเนปรากฏว่าโอ้โหประชาชนนี่ประชาชนนี่ยกย่องมากเลยแล้วกว็นี่ดาราต้องเป็นแบบนี้คือดารามันก็นุ่งเรลิกงานของมันอยู่แล้วนะถึงแม้ว่า แต่นี้มันก็คือความรู้อันนี้ผมเล่าให้พี่น้องฟัง่งเล่ามันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่อ ง, อ, งอะไรกันเลอ่ะมันเป็นไฟบังคับที่เราที่เรามาถึงจุดนี้แล้วว่าแม้กระทั่งการบอยคอร์ดเนี่ยมันกลายเป็นทางเลือกแล้วที่เราจะไม่ใช่บอยคอร์ดสินค้าที่มันฮาลาลเพราะมันเป็นของศัตรูนะไมม จะบอยคอร์ดสิ่งนี้มันฮารอมอยู่แล้วเนี่ยนะเพียงเพราะคนคนนั้นนะ่ะไม่ร่วมบอยคอร์ดกับเราสินค้าของของศัตรูอิสลามมันถึงจุดนั้นแล้วมันจะดีไม่ดีเนี่ยผมเบียงยังยัง ย, ง, ยงงงอยู่กับสถานการณ์นี้แต่มันก็แสดงถึงกระแสที่สังคมมุสลิมที่มาเล ก, ก็เหมือนกันเขาบอกว่า KFC นี่ก็ปิดไม่รู้กี่กี่หลายหกร้อยกว่าสาขาโาสาชานี้ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาในอินโดก็เหมือนกันหลายประเทศปากีสถานก็เหมือนกันตุรกีก็เหมือนกันตุรกีนี่นักเคลื่อนไห้เนี่ยเขาเข้าเข้าไปในแมคโดนัลลเข้าไปใน KFC แล้วก็เอารูปของของเด็กปาลิสไตน์ที่ถูกที่ถูกถล่มที่กาซาเนี่ย เอาปคนเนี่ยกำลังกินอยู่เนี่ยเนี่ยดูดูดู ด, ดูมันขนาดนั้นเลยอ่าคนกูคนก็นนจะกินลงอะเนี่ยดูรูปแล้วกินได้ไงเขาเล่นกันขนาดนี้ผลงานของเราเนี่อัลลอฮ์ก็จะจาดไว้ให้นะครับแต่ในอายะอันนูน้นนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นผลงานชัดๆเนี่ยไม่มีบีฮีบีฮีเนี่ยมาเพราะมันเป็นผลงาน ตรงๆของเราเลยเลียจเซียมุลลาห์อัลสันะมาการุย์อัมาลูเพื่อว่าอัลลอฮ์จะทรงตอบแทนให้แก่พวกเขาสิ่งที่ดียิ่งอาสนะสิ่งที่ดีิ่งสิ่งที่ดียิง่ ง, ท, งที่จริงแปลถูกต้องกว่านะสิ่งที่ดีกว่าอัลลอฮ์จะตอบแทนสิ่งที่ดีกว่าเรื่องนี้พูดและยาวเลยครับพี่น้องสลับนี่เขาจะพูดก็จะพูดว่า มันแค่ในใลท่าที่เลิฟเขาแค่ในท่าที่เขาลิฟเขาฟูดที่เสียหายศูญเสียในหนทางอ่อนลอดนั้นอ่อลอดจะรับผิดชอบที่จะต้องตอบแทนเขาเหล่านั้นศูญเสียอะไรเพื่ออ่อลอดนี้นะไม่ต้องไม่ต้องสงสัยเลยว่าอ่อลอดจะจัดการตอบแทนในสิ่งที่ดีกว่าต้องมั่นใจ มันซื้นเนี่ยได้ดูคลิปหมอคนหนึ่งเขาเพิ่งจบคณะแพทย์เพิ่งจบคณะจบเสร็จแล้วเขาโอ้เก็มีเรื่องที่อยากจะเล่าเกี่ยวกับเกี่ยวกับการศึกษาของเขาเพราะช่วงมหกช่วงที่เขาจะต้องต้องสอบแล้วก็ได้คะแนนที่ทำให้เขาติดคณะแพทย์ได้ปรากฏว่ามีวิชาหนึ่ง วิชาหนึ่งกนะัน่ะวิชาเดียวทุกวิชาเนี่ยเขาตามดีมากเขาตามขาดการของเขาเนี่ยวิชาเดียวเนี่ยที่เขาอ่านหนังสือไม่ไม่ดีเลยอะแล้วเขารู้ว่าเออวิชานี้เนี่ยคงไม่ได้คะแนนสูงไอ้พวกนักศึกษาที่แบบว่าหัวดีเนี่ยเขาจะไม่พูดคําว่าวิชานี้ฉันไม่ผ่านไม่ไอ้ผ่านนี่ผ่านแน่ไอ้พวกหัวดีนะไอ้ผ่านนี่ผ่านแน่แต่เขา คะแนนอาจจะไม่ดีเพราะเข้าเข้าไปในห้องสอบเนี่ย mm hmm. เขารู้เลยว่าเ อ, อเขาเขาเข า, เขาไม่รู้จะจะจะเขียนหมดหรือเปล่า mm hmm. สิบเนี่ยเนี่ยที่ที่ที่โรงเรียนเนี่ยเขา อ, อนุญาตถ้า ง, ง่วงเพราะเขารู้ว่านักเรียนส่วนมากเนี่ยดูหนังสืออ่านหนังสือกันทั้งคืนไงถ้าเขาง่วงขอให ไปห้องน้ำนี่ไปล้างหน้าล้างตาเลยไ ด, ได้สดชื่นหน่อยเขาขอไปล้างหน้าพอออกไปข้างนอกคู่ประจำชั้นนะ่ะคู่ประจำชั้นนะ่ะรออยู่ที่ห้องที่ห้องน้ำแล้วบอกว่าใครที่ออกมานี่มีหนังสือทุกวิชานี่ใครอยากได้อะไรนี่็เดี๋ยวผมดูให้ดูแลคือบางโรงเรียนนี่ระบบระบบลอกนี่มันมันมันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นกระบวนการเลย เขาก็นั่งคิดคิดอยู่นะบอกว่าถ้ากว่าเขาเปิดหนังสือแล้วก็เจอด้วยหนังสือของวิชาที่เขาไม่ได้ดูหนังสือเลยเนาะเนี่ยแต่ เ, เขาเดูแป๊บๆนึงอะนะสามารถเขียนข้อสอบทั้งหมดเลยได้คะแนนเต็มเลยเขานั n g คิดสักพักหนึ่งแล้วก็เลือกที่จะไม่อ่านแล้วก็เขา้าวิชานั้นนะ่ะพอดีพอดีเลยห้าสิบห้าสิบเอ็ดผ่านไป๊ะเลยพอดี วิชานั้นนะก็ไม่ไม่ได้คะแนนตามที่เขาต้องการแต่สิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเขาชนะใจและเป็นเรื่องที่ภูมิใจตลอดชีวิตเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยจบแล้วจบแพทย์แล้วแต่ถ้าถ้าฉันจบแล้วโดยที่มีสักวิชาหนึ่งในกระบวนการศึกษาของฉันเนี่ยที่ฉันทุจริตที่ฉันไม่โปร่งใสเนี่ยตอนนี้เนี่ยฉันจะรู้สึกไม่ดีเลย และจะไม่มีโอกาสที่จะพูดเรื่องนี้ให้คนได้ฟังจริงจริงการที่เรายืนหยัดทำความดีหลีกเลี่ยงความชั่วนี่เราทำเพื่อตัวเรานะให้เราได้มีอะไรภูมิใจไว้ในตัวเราว่าว่าเราเนี่ยสังกัดความดีหลีกตัวออกจากความชั่วนี่อยู่ที่ตัวเราและผลดี เทอมเราจะให้นี่ดีกว่าที่เราที่เราที่เราต้องการดีกว่าที่เราที่เราสูญเสียไปเราสูญเสียอะไรละ่ะในการเลิกทําความชั่วดีนี่ไม่ได้หมายถึงว่าผลประโยชน์ที่เราจะรับนะอะฉันเลิกเล่าอย่างเงี้ยฉันเลิกเล่าแล้วเราจะให้ซองมาอันนี่เก่งมากอ่ะหย้ยนั่นหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ ฉันละหมาดเตียมุลนเ ล, ล้นฉันอ่านกุรานอ๋อเก่งมากเก่งมากโดนเจะให้ให้เป็นคนรวยถ้าใครที่คิดแบบนี้เนี่ยก็แสดงว่ายังไม่เข้าใจสิ่งที่เราจะตอบแทนนี่มันคืออะไรยังไม่เข้าใจสิ่งดีงามนี่มันมีมันมีดีกว่าสตังดีกว่าความร่ำรวยคิดตัวคนคนร่ำรวยคนคนที่เขา คนที่เขามีฐานะที่ดีแต่ไม่บริสุทธิ์นะมาจากความทุจริเนี่ยเขาเขาดีใจเหรอเขาภูมิใจเหรอไม่ไม่แน่นอนแต่สําหรับผู้ศรัทธาเนี่ยอันนี้แน่นอนเป็นเรื่องตายตัวอยู่แล้วอ่ะสิ่งที่เราจะได้ในวันเกียร์มาเนี่ยนี่อันนี้ดีเลิศอยู่แล้วเทียบแล้วนี่สวรรค์เดียวเราจะให้พวกเราเทียบกับสิ่งที่เราได้เสียสละนี้มันสิ่งที่เราทําในโลกดุนยานี่มันเล็กน้อย มันเล็กน้อยมีแค่อัลลอฮฺบอกว่าแค่น้ําตาไหลน้ําตาไหลไปหยุดเดียวน้ําตานี่ยไหลไปหยุดเดียวเพราะยำเกรงอ Allah, ัลลอฮฺเพรเกรงกลอัลลอฮุ سبحانه และก็ตานะดวงตาของเราเนี่ยจะไม่แตะนรกไฟนรกจะไม่แตะมันเราลงทุนไปเท่าไหร่น้ําตาหยุดเดียวน้ําตาหยุดเดียวจบละ เทียบดิเทียบเทียบถ้าดวงตาในหยดหยดน้ําตาไปหยดเดียวไม่เข้านรกละมีอลลอมาบางท่านเขาตีความเพราะนาบีบอกว่าอินานี่แหละแต่มาซูฮูมันนารตาสองดวงที่จะไม่แตะไฟนรกจะไม่แตะมันตาที่ร้องไห้ที่มีน้ําตาหยดนี่หยดมาเนี่ยเพราะเกรงกลัวอัลลอฮ์และตาที่เฝ้าหมายถึงว่าเป็นยามเฝ้า ในการท د, าําแยทเฝ้าอย่างเฝ้ากองทัพอาจิะสิดด้ทีความได้เยอะนะแต่เรามาเรื่องมาเรื่องเรื่อใกล้ใกล้เอเ อ, เ อ, เอมีอลบามางท่านบอกว่าตานีนรกจะไม่แตะดวงตานี่แสดงว่ า, าแล้วมีด้วยเราจะเข้าสวรรค์เนี่ยเป็นอวัย ว, วะอวัยวะอะไระตาเข้าก่อนจมูกที่หลังไม่ใช่เรา ก, ก็จะเข้าทั้งร่างแสดงว่าถ้าดวงตาร้องไห้ในหนุนดังของเราแสดงว่า ไฟนรกจะไม่แตะทางร่างท้งร่างคุ้มไมละ่ะถ้าเราในโลกดุนยาหนี้เนี่ยฝึกหัดที่จะร้องไห้ที่จะมีน้ำตาไหลย่ยอมเกรงอัลลอฮวคุ้มไล่ะคุมมะค้มสิอย่างที่บอกว่าเราทำอะไรเล็กน้อยนีย่แต่อลัลลอ์จะให้มหาซะมาซะแต่ต้องฝึกฝนในการในการที่เราเจ็บปวดเพื่ออลัลลอ์สุบฮานะหัวตา ชื่อมูฮัมหมัดอัดุลรอชิดเนี่ยเขาเป็นนักด่าอีที่อิรักอันนี้ชื่อนามปากกาของเขามูฮัมหมัดอับดุลรอชิดนามปากกาชื่อที่จริงของเขาเนี่ยอับดุลมุนย์ซุลัย์อัลกิซซีคนส่วนมากในไม่รู้หรอกว่าคนนี้คือคนเดียวกันพอเขาเขียนหนังสือของเขาในยุคนู้นในยุค ยุสดดํามอนนะสดดําก็ก่อนนู่นนะเขานักขึ้นไหวศา ส, สนานี่ยเขากไไ็ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้มีผลงานอะไรเยอะเนี่ยเขาก็ต้องต้องปิดบังตัวเองอเขาเาเขียนหนังสือชื่อหนังสือนี่นอัลมุนตลกักเขาเราอาจารย์ของเขาเนี่ยอาจารย์ของเขาเนี่ยจะให้ลูกศิษย์เนี่ยทําการบ้านอาจารย์คนนี้เขาจะสอน ลูกศิษย์นี่ให้ดาวะทำงานทางานดาวะทํางานศาสนาสอนให้ลูกศิษย์นี่ดาวะทํางานเพื่อล l l a h ทำงานศาน ส, สนาอาจารย์คนนี้เนี่ยเวลาลูกศิษย์เนี่ยเขามาบ้านนี่มาเรียนแต่ก่อนโน้นอาจาเรียนตามมสศิดนี่ก็โดนข้อหาพอไปเรียนบ้านนี่อาจารย์ให้ลูกศิษย์เข้าห้องถอรดรองท้าของนอกแล้วก็เข้าห้องแล้วก็ไปดู รองเท้าของลูกศิษย์คนไหนรองเท้าใหม่ให ม, ม่เอี่ยมเอี่ยมยังสภาพยังดีเขาจะรู้เลยว่าคนนี้เนี่ยไม่ค่อยมีผนงานในการเดาแต่รองเท้าของคนไห น, นที่เปื่อยที่เก่าแล้วก็สึกแล้วอะ่ะเขาจะรู้ว่าคนนี้เนี่ย แล้วเขาก็มาบอกเขาก็จะมาบอกคนีเป็นยังไงถามเป็นทำงานยังไงมีผลงานอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามนั้นไปตามที่เขาคาด เ, าเดาแสดงว่าในการเสียสะละในหนทางของโลกสภานวาละคนเรานี่ต้องต้องมีอะไรมาเก็บไว้เป็นหลักฐานในความทรงจาของเราบ้างเราเล่นบอลจนรองเท้าขาดเคยัหม เคยไหมเราไปเดินเที่ยวเดินป่าจนเสื้อขาดเคยไหมเราเสียตังค์ไปเท่านุนเท่านี้เนี่ยไปกินกาแฟน้ำชาตามห้างกว่าจะจีบสาวสักคนหนึ่งกว่าจะได้สักอันหนึง่งได้สักอันนึง เสียไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้ยกว่าจะเลี้ยงกว่านี้เลี้ยงกว่านั้นพาว่านั่นไปดูหนังโอ้เยอะแยะผลงานที่เรากเราในหนทางของความคิเลนความต้องการของตัวเองเนี่เราเสียสละไปเยอะแล้วอา้ากลับมาถามตัวเองบ้างในหนทางวันร้อนนี่เราเสียตังค์ไปเท่าไหร่บ้างรองเท้าขาดไปไหมมีเสื้อผ้าขาดไปไหมในหนทางวันร้อน แต่กี้ลมจะบอกว่าดวงตานี่หยดหนึ่งน่นะนะร้องไห้เพราะยำเกรงอัลลอฮ์นี่มีผลที่ทําให้ไฟนรกนี่จะไม่แตะเพราะอะไรลูกเพราะไฟนรกนี่มันกนลัวล้อไฟนรกนี่บอกว่าฉันนั้ไม่แตะลก้กดวงตาที่มันกลัวล้อนี่ฉันไม่แตะผมลืมจะบอกว่าแต่กี้บอก็เทียบเทียมผิวหนังของเรานี่ที่เหงื่อมันออกเหงื่อมันออกว่าอะไร ออกเพเล่นบอลออกเพื่ไปจีบสาวตาห้างออกอไปพวกเต้องทำความชั่วนู่นน่นหรือเมื่อออกนี่ในหนทางมันล่อทำงานศาสนาทำอะไรเพื่อโลกสุภาโนจาร์มีทั้งหมดนี่ที่ผมบอกว่าเนี่ยสองอาญานี่นะเราพูดถึงสิ่งที่เราจะต้องเสียสละในหนทางมันล่อเนี่ยโอ้หมีเเยอะที่เราต้องคุยที่เราต้องคุยที่สำคัญที่สุด คนนั้นทั้งหมดเลยเนี่ยทุกคนเนี่ยแบบ الإنسان وعلى نفسية بصيرة ทุกคนีรู้ตเองทุกคนนีรู้ตัวเองคนเรานี่เวลาไปสมัครงานนี่ที่ต้องไปเตรียมไปในงานเขาบริญยาประสบการณ์ความสามารถนี่ทั้งหมดเหมือนกันแหละจะสมัครสมัครงานเป็นชาวสวรรค์เหมือนกันแหละ เตรียมอะไรไว้เตรียมอะไรไว้ปร no, so like no, no. right. ิญาปริญญานี่สารักุเกชาดมชาดหชาลาอิลาอิลลชดปริญญาของเรานี่ที่เราเตรียมว่าจะได้เข้าสวรรค์ผลงานที่เราได้เตรียมว่าจะได้ถวายต่อหน้าอัลลานตาลนวันเกียมะสุดท้าย เปิดเายด้วย ح ดี ث ของท่านนบีอลลัลลอฮุวหลิกฮุซลิลมลี่กุมลีคุณีมคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านตรงให้มีผลงานที่เร้นลับขอบีอะผลงานที่เร้นลับผลงานที่เราได้ทำไว้ไม่มีใครรู้นอกจากอัลลอฮฺ เรื่องนี้เราต้องทำไปเรื่อยๆบริจาคไม่บอกใครทำความดีไม่บอกใครทำให้สองคนนี่ที่ทะเลาะ ก, กันได้คืนดีกันโดยที่ไม่มีใครรู้่านี่คือนี่คือคนที่ทำให้เขาคืนดีกันคนยากจนนี่ไปช่วยเขาไม่คนาไม่รู้ว่าใครช่วยไม่ใช่ทุกงานที่เราจะทำแบบนี้ไม่ให้มีบ้าง มีบ้างเพราะการที่เราได้ทาความดีอย่างเปิดเผยเนี่ยมัลก็สรรเสริญเหมือนกันอินทุบดุสซาดะกัสฟานิอมมาฮีว่อินทุขฟัววัดตัวฟุกอราฟะฮ์ุวะลรุลละกุมถ้าบดเผยดะก์เปิดเผยสาดะก็กว่าดีว่อินทุขฟัวแต่ถ้าปิดบางดีกว่าดีกว่าตรงไหนอันนี้ต้องลองกันทาความดีอย่างเปิดเผย และการทำความดีอย่างลับๆทำความดีอย่างลับๆเนี่ยมันมีความสุขแบบอธิบายไม่ถูกแบบอธิบายไม่ถูกมันเหมือนอะไรหรือป่ามันเหมือนอะไรอะไรเกี่ยวกับความมั่นคงคงชาติเนี่ยแล้วก็มีเรารู้อยู่คนเดียว เรารู้อยู่คนเดียวว่าเรื่องนี้แล้พราะเรื่องนี้ไม่มีกครรู้มันจะมีความสุขอความสุขว่าไอเรื่องนี้เนึ่งคุรู้อยู่คนเดียวเช่นเดียวกันผลงานอะไรบางอย่างนี่ไม่มีใครรู้มีแต่ Allah มีแต่ a l l a เท่า น, นั้นที่รู้และเราคนเดียวมันมีความสุขในมุมที่เราไม่คิดว่าเออมันจะซะปกติแล้วเนี่ยเวลาเปิดเผยทําความดีแล้วก็ ให้คนรู้นี่มันก็มีความสุขคขงมันระดับหนึ่งเพราะคนรู้ว่าเราทาความดีเราชันเราละหมาดดีๆเออให้มันรู้บ้างว่ากูละหมาดเป็นมันมีความสุขมุมหนึ่งแต่ความสุขนี่อาจจะทำลายทำลายอิบาดะของเราไปแต่มันก็เป็นความสุขความสุขบริจาคบริจาคเบอราละเไอละล้านหนึ่งเออให้มันรู้บ้างว่ากูมีมันก็มีความสุขแต่ความสุข มันจะทำแต่ความสุขที่มันยิ่งกว่านั้นนะ่ะถ้าทำแบบลับๆไม่มีใครรู้เลยนะผลงานแบบนี้ที่มันที่มันเป็นการเสียสละที่สูงสุดอันนี้อยากจะรู้ว่าเราเสียสละจริงๆไหมบางผลงานของเราเนี่ยพยายามปกปิดให้ใครเราอย่าให้ใครรู้พยายามปกปิดให้เรา สนิทไม่มีใครรู้เลยสำนวนที่ท่านนบีบอกว่าเจ็ดคนที่จะอยู่ใต้ร่มเงาของล้านวันกิมานีหนึ่งในนั้นนะว่ารจูลุนทศด قة บิดดัตกตินอัฟาฮคนคนหนึ่งบริจาคศรด قة อัฟฟาห์ฮะปกปิด حتّالاتعلم يمينه ما تنفق شيئاحتّالاتعلم شيئا له ما تنفق يمينه มือซ้ายนี่จะไม่รู้ว่ามือขวาเนี่บริจาคกันอันนี้เป็นสำนวนเป็นสำนวนถ้าหมายรวมหมายรวมว่าหมายรวมว่านี่แม้กระทั่งส่วนหนึ่งของตัวเองอ่ะนะยังไม่รู้เลยแต่อุลามาบางท่านบอกว่าเป็นไปได้เป็นไปได้ว่าบริจาคโดยที่ตัวเองไม่รู้เนี่ยเป็นไปได้เช่นบริจาคควักแล้วก็เท่าไรไม่รู้ไม่รู้เหมือนสมัยท่านอบีคนนี้ บริจาคเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดือดร้อนก็บริจาคปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นโสเพณีทําซีนาคนก็บอกว่านี่ดูไอ้เองงมันบริจาคให้คนทําซีนา แ, แต่สุดท้ายท่านอบิสเขาก็ทําแบบนี้หลายบริจาคคนอ้าวปรากฏว่าไปบริจาคให้คนรวยอีกคนนึงอ้าวบริจาคให้โจรขโมยกะชาวบ้านการนินทาไอ้เองงบริจาคตัวไอ้เองงูบริจาคแต่เขานี่ไม่สนใจเขาเห็นคนเดือดร้อนนี่ยเขาก็ ใ ห, ให้เลยแล้วไม่สนใจแล้วไม่แล้วไม่สนใจคนที่ดินถาด้วยแต่นาบีปลอบใจเขาเขาบอกว่าผลดีทั้งนั้นนะผลดีหวังว่าคนรวยนั้นอาจจะอายแล้วก็คนรวยนี่ได้สดนักก้อนี่มันอาจจะละอายตัวเองแล้วก็ไปบริจาคต่อคนจนนี่มันอาจจะสํานึกแล้วก็เลิกบ่นชาวบ้านเขาคนที่ทําซินานี่ก็อาจจะอายได้สดนักก้อนี่จะเลิกการทําซีนาน เห็นไหมทำความดีแล้วก็ไม่ได้หวังผลอะไรไม่ได้หวังชื่อเสียงจะใครนะครับดูอาตออลอลอสุฮานะวตาลาให้พระองค์ได้บันดานใจพวกเราทุกคนให้เสียสละทำความดีในหนทางของอลอลอสุฮานาะัวตาลาคือแน่นอนอนะ่ะบางอย่างนียมันปกปิดไม่ได้อะ่ะอย่างเช่นคนบอกว่าเดี๋ยวฉันมาเรียนตัฟซีรเนี่ยไม่มานี่นะดวฉันจะนั่งนอกลุ่นน่ะ ไม่ให้เช็เห็นไม่ให้ใครเห็นฉันเนี่ยฉันจะได้มาเรียนต็มเียแบบลับๆไม่ใช่พยายามบางอย่างและบางอย่างนี่ควรสําหรับบางคนนี่ควรเปิดเผยแต่ทำไมละห ม, มาดยามาล้านี่ศา ส, สนาส่งเสริมอย่างแรงละห ม, มามดยามาละหมาดยามาเนี่มันเปิดเผยไงแล้วละหมาที่บ้านไม่ดีกว่าแล้วจะได้หลบๆก็ไม่ต้องมีคนรู้ไม่ละห ม, มาดยามาเนี่ยมันมีพลัง ถึงแม้ว่าจะเปิดเผยแต่พลังของมันนี่สาคัญกว่าการที่เราจะรักษาเรื่องความลับเรื่องอะไระบางอย่างนี่มันไม่ต้องไม่ต้อ ง, ไ ม, องไม่ต้องคิดในมุมนั้นนะครับมันต้องเปิดเผยอย่างแน่นอนนะครับใช่ครับ เ, เนื้อปรบานเนี่ยสามารถให้คนยากจนที่เป็นต่างชนิข้างบ้านอ่านี้ได้นะครับทัศนนะอุลามาส่วนมากนะครับว่าต่างชิดเนี่ให้ได้หมด มีแต่มัซซับช افي ีบ้านเรานี่ก็และนี่คือที่ไปที่มาว่าบ้านเราทําไมอทําไมเข่งคัดในเรื่องนี้คือประเทศโลกมุสิมทั้งหมดเนี่ยเขาไม่คิดนเะรื่องที่ไม่ใช่มัซซับช افي นะเขาเรื่องนี้เขาไม่คุยกันเลยทุกปีเนี่ยจะไม่มีคําถามแบบเนี้แต่บ้านเรานี่มีคําถามแบบนี้ทุกปีเนื่อจากว่ามัซซับช افي เนี่ยกุรบาลเนี่ยไม่ให้อ่าแล้วก็เราอยู่ในในประเทศที่ต่างสนิกนี่เยอะมาก แล้วก็คนก็สนิทเพื่อนบ้านแล้วก็จะไม่ห้ยได้ไงอ่ะแต่ที่อื่นนี่เขามีเขามีอันนี้มันไม่มีบริบทนี้ไม่มีเลยอ่าซีมาซามะาบนี่อหมามัลตอิหม่าลิกอิหม่าลิกอิหม่าบูฮานีบ้านี่มันก็ให้ได้ทั้งสนิทนทั้งดิบทั้งปรุงอ่าน้ําดิบปรุงแล้วเนี่ยให้ให้ได้หมดที่จริงเนี่ยตัวบทในคุตัานนี่ก็บอกอัลชาติเลวว่าฟาตัยมุลกานีอาวัลมอาต์ร์ให้ ทั้งคนที่มีและก็คนไม่มีอุลมามะเขาบอกว่าให้คนที่มีก็คือฮาดียะเพราะสอดก้อนจะให้คนมีไ ม, ไม่ได้และคนไม่มีก็คือเป็นสอดากา้สอดาก้นนี่ให้คนที่ไม่มีฮาดียะให้คนที่มีใช่ไหมอา้าวสอดกานาากานี่ทั้งสอดก้และก็ฮาดียะเนี่ยตามหลักการศาสนาทั่วไปทั้นะทงสอดาก้นและฮาดียะให้ต่้งสนิทได้และอะไรที่ให้ตังสนิทไม่ได้ในสังคมอันนี้จะเจ๋ สกัดนี้ก็มีข้อเว้นนะนะอย่างมูัลรับอะไรก็มีมีมีข้อเว้นแต่โดยรวมนี่สกาดนี่ให้ดังสนิทไม่ได้ยางอื่นนี่นะซดะก้ฮะดียเนี่ยให้ดังสนิได้หมดก็กิก้อไม่ไม่ไม่ไม่เกี่ยวเลยไม่ไม่มีข้อแม้เลยมีคำถามไหมไม่มีนะมีไหมแต่ไม่มีก็ก็ปิดประชุมนะครับ มีน้องจากศูนย์นิวมูลจะมารับอิสลามให้พวกเราเป็นสกีพยานนะครับเดี๋ยวเรามาร่วมเป็นสกีพยานให้น้องแล้วก็มาขอดูอาของเขาด้วยนะครับอัลลอฮฺครับอเอ้าใครที่จะมารับอิสลามมามาม า, มานั่งมานั่งตรงนี้ข้างๆผมนี่นี่ น, นี่ตรงนี้และมีที่สังเกตการเดี๋ยวตามสะดวกนะมาไห่ที่เรารู้สึกว่ามั่นใจแล้ว อันนี้เชื่อะลรนะเออครับเออครับเออเออเออโลกนะเออตั้งชื่อยังอย่างนะเยอะมาสามเข้าหนึ่งแต่อีกสองคนน่ะยังยังศึกษาอยู่ยังยังขอคิดดูยังศึกษาอยู่อ้มาอีกคนให้เต็มที่ให้ศึกศึกษาแล้วก็เออเนี่ย อันในของคนนี้คือกำำั้มกั้มตึงตึงเลยนะไม่ก็ถือว่าศึกษาอยู่ไงอดังสะดวกไม่ใช่ศึกษาอยู่เอาวันนี้เอิร์ดนะเอิร์ดก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวพอเ อ, อิร์ดรับอิสลามแล้วก็ค่อยไปเล่าให้ให้พี่น้องได้ฟังว่าเออมันจะเป็นยังไงนะอันนี้เราศึกษาแล้วใช่ไหมอย่างครับไม่ใช่หมายที่ไม่ได้ศึกษาอิสลามทั้งหมดใ น, นหมายที่หศึกษาว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และท่านศาสดามุ hammad นี่เป็นศาสนาทูต ท, ที่พระเจ้าส่งมาให้เราสองอันเนี้ยนี้เราเข้าใจแล้วใช่ไหมเข้าใจแล้วนะเข้าใจว่าอิสลามนี้ไม่มีบูชาสักการะอื่นจากอัลลอฮ์พวกพวกอ่อพวกเทวรูปพวก รูปปั้อะไรต่างๆอันนี้เราจะไม่ไม่นับถือแล้วนะอันนี้เข้าใจนะครับทำหน้า ก, กันศาสนา เ, เดี๋ยวเราจะกล่าวคําปฏิญน์ดนเป็นภาษาไทยก่อนหลังจากนี้เป็นภาษาละพอกล่าวแล้วนี่นะเราจะถือว่าเป็นมุสลิมคําว่าเป็นมุสลิมนี่ก็หมายถึงว่าหน้าที่ของเราเนี่ยต้องศึกษาต้อเริ่มศึกษาละแล้วก็เริ่มปฏิบัติเราอยู่กับพี่น้องนี่ก็เริ่มศึกษาละ และพวกเราจะขอบคุณให้เอิดได้เป็นคนดีของอัลลอฮ์การเป็นภาษาไทยก่อนนะเป็นภาษาไทยกล่าวตามผมนะแล้วผมจะกล่าวแล้วก็กล่าวตามผมข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์และท่านนบีมุฮัมมัด และท่านนบีมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์เป็นศาสนทูตของพระองค์การเป็นภาษาะอัชฮดูอชาูอัชฮดูอชาูอัลลอัลลาอลลาอิลาฮอิลลอิลาฮอัลล์ออัชฮดู วะอัสฮารุอันนักมุฮัมมัดนั้นมุฮัมมัดันรุอูอัลอฮ์อัลลอฮ์อัลรอ์ัลลอฮ์ัลอัลลอัลลอฮ์อัลลออลาอฮ์อัลลัลอฮัลลอฮ์อัลลัลยืฮ์อัลลาฮ์อัลลอฮ์ัลลอฮ์อาลลอฮอัลลไว้อัลลลลอฮลลอฮออลอัอ พระเจ้านี่ยลบร้างหมดเลยนะเริ่มนับใหม่เลยนะอย่าสะสมอันนี้เราที่ว่าสะอาดที่สุดสะอาดที่สุดเริ่มนับใหม่แล้วนะอย่าอย่าทําความชั่วเยอะแล้วนะไม่ใช่หมายถึงว่าทําน้อยนะไม่ใช่นะ <c oughs> ก็อย่าทําเลยแหละเ อ, อเราขอด้วยให้อะเอิอเออ ตั้งชื่ออะไรดีไม่ได้เตรียมเลยฮ ะ, ะดูส่งดูฝากก็ได้เดูดูบอกบางอย่างนะขอด้วยให้ให้เอิร์ธได้เป็นเบาของอัลลอฮ์ที่ได้รับทางนำที่สมบูรณ์แล้วก็มีแรงบันดาลใจในการทำความดีตลอดชีวิตนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนที่เอ่อกำลังศึกษาอยู่ ได้รับทางนำจากพระองค์ให้พวกเราทุกคนได้เป็นสกีพยานในเฉกเช่นท <alright> <establishment> <ihat> ี่เรามารวมตัวกันหน้าที่นี่เป็นสกีพยานให้คนคนหนึ่งได้มาเป็นบ่าขององค์ลอร์อย่างแท้จริงแล้วเนี่ยขอให้พวกเราทุกคนได้ได้พบกันได้เจอกันในสุนวรัมด้วยคมเพียงกันนะครับว่าสัลลัลลอฮุอะลยบนมุฮัมมัดะลาอัลซอสลามุอะลัยุมวะรา์มตุลลอฮิบรก